พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่26สุตตันตปิฎกขุทธกานิายวิมานวัตถุเปตาวัตถุเทระคาถาเทรีคาถาพระไตรปิฎกเล่มที่26นี้มีเรื่องใหญ่แบ่งออกเป็นสี่ส่วนคือหนึ่งวิมานวัตถุเรื่องวิมานแสดงว่าใครทําความดีอย่างไรทําให้ได้วิมานอย่างไร ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่พระมหาโมคลานะเทระถามเทพบุตรเทพธิดาถึงอดีตกรรมที่ส่งให้ได้เกิดในวิมานนั้นๆมีคำตอบของผู้ถูกถามเป็น ร, ป ร, รายๆไปรวม85บห้าราย 2. เปตวัตถุเรื่องของเปรตคือผู้ล่วงลับไปแล้วได้รับทุกทรมานในสภาพของเปรตมีลักษณะต่างๆกัน51อดเรื่อง 3. เทระคาถาเป็นภาสิทธทางธรรมมีคติเตือนใจของพระเทระต่างๆรวม264 ร, รรูป 4. เทรีคาถาเป็นภาษิทธทางธรรมมีคติเตือนใจของพระเท ร, รีคือนางภิกษุณีผู้เป็นเท ร, รีรวม7สิบรูปเรื่องที่หนึ่งวิมานวัตถุ เรื่องการได้วิมานเรื่องถามตอบระหว่างพระมหาโมคลานะเทระกับเทพบุตรเทพธิดาผู้ได้วิมานต่างๆกันนั้นแม้จะปรากฏว่ามีมากรายแต่ก็พอจะสรุปได้ว่าเป็นคำตอบแสดงผลดีของการทำความดีเช่นการทำอัญชลีกรรมต่อท่านผู้มีศีลบ้างการถวายทานบ้างการรักษาศีลบ้าง การให้น้ำดื่มบ้างการจุดไฟเพื่อประโยชน์แก่คนไปมาในที่มืดบ้างการฟังธรรมะบ้างการรักษาอุโบสถบ้างการตั้งอยู่ในคุณธรรมเช่นไม่โกรธบ้างมีข้อสังเกตก็คือไม่ใช่แต่พระมหาโมคลานะถามอย่างเดียวบางครั้งเทพบุตรนั้นก็มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเล่าความในอดีตก็มี เรื่องที่สองเปตะวัตถุเรื่องของเปรตในเรื่องเปตะวัตถุหรือเรื่องของเปรตนี้บางตอนก็เป็นคำสอนปรารพผู้ลงลับไปแล้วโดยให้คติว่าควรทำบุญไปให้เปรตเหล่านั้นคำว่าเปรตแปล ว, ว่าผู้ลงลับไปแล้วทั่วๆวไปกับอีกอย่างหนึ่งหมายถึงผู้เกิดในสภาพที่ได้รับความทุกข์ทรมาน ที่เรียกกันว่าเปรตบางครั้งพระเทระบางรูปไปพบเปรตอยู่ในลักษณะงดงามทุกอย่างแต่ที่ปากมีนอนไตมีกลิ่นเหม็นเมื่อไต่ถามเปรตเหล่านั้นก็เล่าว่าตนเคยเป็นสมณะผู้ชั่วไม่สำรวมปากแต่มีความเพียรดีจึงมีผลเป็นอย่างนี้เปรตบางตนกินอุจจาระปัสวะเลือดหนองกินอะไรเข้าไป พอถึงปากก็กลายเป็นของโศโครกเหล่านั้นเป็นผลของการที่ด่าสมณะพรามเมื่อสามีเคยให้ทานแต่ตนไม่เห็นด้วยคำด่านั้นว่าเจ้าจงกินของไม่สะอาดคืออุจจาระปัสวะเลือดหนองเป็นต้นเรื่องที่สามเทระคาถาภาสิทธิ์ของพระเทระ ได้กล่าวแล้วว่าเทระคถ า, าว่าด้วยพาสิทอันเป็นคติสอนใจของพระเทระต่างๆถึง264รูปในที่นี้จะนำมากล่าวเป็นตัวอย่าง10รูปคือ 1. ภาสิทธ์ของพระสุภูติเทระเรามุงกระท่อมแล้วไม่มีลมพัดผ่านเป็นสุขในที่นี้มีความหมายว่าป้องกันจิตใจมีให้กิเลสรั่วรดได้ เรามุงกระท่อมแล้วไม่มีลมพัดผ่านเป็นสุขฝนจงตกตามสบายเถิดจิตของเราตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นแล้วเราอยู่อย่างมีความเพียรฝนจงตกเถิดสองพาสิทธ์ของมหากริตะเทระผู้สงบระงับยินดีในธรรมพูดเป็นคติไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมกำจัดบาปรมเสียได้เหมือนลมพัดทำให้ใบไม้ร่วงฉะนั้น 3. ภาสิทธของพระอาจิตยเทระเราไม่มีความกลัวในความตายไม่มีความใคร่ในชีวิตเราจะมีสติสัมปชัญญะทอดทิ้งกายของตนไปข้อนี้หมายถึงตายอย่างมีความรู้เท่าทันและมีสติ สีพาสิกของพระโสปากะเทระบุคคลพึงเป็นผู้ฉลาดในบุตรซึ่งเป็นที่รักคนเดียวฉันใดก็พึงเป็นผู้ฉลาดในสัตว์มีชีวิตทั้งปวงฉันนั้นเถิดข้อนี้หมายถึงพึงมีความรู้สึกในผู้อื่นเหมือนบุตรที่รักคนเดียวของตนจะได้ไม่คิดเบียดเบียนและจะได้เห็นอกเห็นใจ 5. ภาษสิทธ์ของพระบุญเถระศีลเป็นสิ่งเลิศในโลกนี้แต่ผู้มีปัญญานับเป็นผู้สูงสุดบุคคลย่อมชนะทั้งในมนุษย์และในเทพทั้งหลายเพราะศีลและปัญญา 6. ภาสิทธ์ของพระนีตะเถระหลับตลอดคืนยินดีในความคลุกคลีด้วยหมู่ตลอดวัน ผู้มีปัญญาสามจากธรรมที่สุดแห่งทุกได้เมื่อไรกัน 7. ภาษิตของพระอุตรเถระภพคือความมีความเป็นใดๆที่เป็นของเที่ยงย่อมไม่มีแม้สังขารหรือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งใดๆที่เป็นของเที่ยงก็ไม่มีขันเหล่านั้นเกิดขึ้นและเคลื่อนคือปราบวน ในการต่อต่อไปเรารู้โทษนี้แล้วจึงไม่ต้องการพบล่นออกจากกามทั้งหลายบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะ 8. ภาสิทธิ์ของพระบุญณมาสะเทระเราละนิวรณคือกิเลสอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีเราละนิวนนนรณห้าประการแล้ว เพื่อบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากกิเลสเครื่องผูกมัดจึงจับแว่นธรรมะคือยาณทัศนะของตนส่องดูกายนี้หมดทั้งภายในภายนอกกายก็ปรากฏว่างเปล่าทั้งภายในภายนอก 9. ภาสิทธิ์ของพระหาริตะเทระผู้ใดปรารถนาจะทำกิจที่ควรทำก่อนในภายหลัง ผู้นั้นย่อมถูกกำจัดจากฐานะอันเป็นสุขและย่อมเดือดร้อนในภายหลังพึงพูดสิ่งที่ทำได้ไม่พึงพูดสิ่งที่ทำไม่ได้บัณฑิตย่อมกำหนดรู้ผู้ไม่ทำดีแต่พูดพระนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วไม่มีความเศร้าโศกไม่มีทุลีหลอดโรงไม่มีความทุกข์ เป็นสุขดีหนสาสิบภาษิตของพระนาทีกัสปะเทระพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปสู่แม่น้ำเนรัญชราเพื่อประโยชน์แก่เราเราได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วเรื่องความเห็นผิดได้เราได้บูชายันทั้งสูงทั้งต่ำและบูชาไฟเป็นปุตตุชนผู้เหมือนมืดบอด สำคัญว่านั่นเป็นความบริสุทธิ์เราวิ่งไปตามความยึดถือทิฏฐิหลงไปเพราะความยึดถือสำคัญความไม่บริสุทธิ์ว่าเป็นความบริสุทธิ์จึงเป็นคนบอดคนเขา่าเราละมิชาทิฏฐิได้แล้วทำลายภพทั้งปวงได้แล้วเราบูชาไฟที่ควรแก่ทักษิณาหมายถึงบูชาบุคคลผู้มีคุณธรรม เราบูชาไฟที่ควรแกทักษินานำมัสการพระตถาคตเราละความหลงทั้งปวงแล้วทำลายภาวะตัณหาคือความทยานอยากในภพได้แล้วสิ้นความเวียนเกิดแล้วไม่มีการเกิดอีกเรื่องที่สเทรีคาถาภาสิทธิ์ของพระเทรี ได้กล่าวแล้วว่าเทรีคาถาว่าด้วยภาสิตอันเป็นคติสอนใจของพระเทรีคือนางภิกษุณีต่างๆจำนวนเจบมรูปในที่นี้จะนำมากล่าวเป็นตัวอย่างสิบรูปเช่นกัน 1. ภาสิตของพระนางปุญนาเทรีดูก่อนปุญนาเธอจงเต็มไปด้วยธรรมะทั้งหลายเหมือนดวงจันทร์วันขึ้น15ห้าค่ำ จงทำลายกองแห่งความมืดด้วยปัญญาอันบริบูรณ์สำหรับคำขึ้นต้นตัวอย่างเรื่องนี้ที่ขึ้นว่าดูก่อนปัญ น, นาเป็นภาษิทธสอนใจตนเองจึงเรียกชื่อตัวเองมีหลายรายที่เป็นคำสอนปรารถชื่อแล้วให้มีคุณธรรมสมตามชื่อ 2. ภาษิทธของพระนางติดสาเทรีดูก่อนติดสา เธอจงศึกษาตามข้อที่ควรศึกษากิเลสเครื่องผูกมัดอย่าก้าวล่วงคือเอาชนะเธอได้เธอจงเปลื้องตนจากเครื่องผูกมัดทั้งปวงไม่มีอาสวะคือกิเลสที่ดองสันดานเที่ยวไปในโลก 3. ภาษพริทธิ์ของพระนามิตราเทรีเธอบวช ด, ด้วยศรัทธาแล้วพึงยินดีในมิตรว่าเป็นมิตร จงเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัดสภาสิทธิ์ของพระนางอุปัสสมาเทรีดูก่อนอุปัสสมาเธอจงข้ามโอคะอันเป็นที่ตั้งแห่งมารอันข้ามได้โดยยากจงชนะมารพร้อมทั้งเสนาส่งไว้ซึ่งร่างกายนี้เป็นร่างกายสุดท้ายหมายถึงอย่าเกิดอีก 5. ภาษสิทธ์ของพระนางสุมนาเทรีเห็นธาตุทั้งหลายโดยความเป็นทุกข์แล้วก็อย่าให้ความเกิดมาหาอีกคลายความพอใจในพบแล้วเธอก็จกสงบระงับเที่ยวไป 6. ภาสิทธ์ของพระอุตราเทรีเราสำรวมกายวาจาใจแล้วถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้ จึงเป็นผู้ดับเย็นแล้วเจ็ดาษิทธ์ของพระนางธรรมาเทรีเราเที่ยวบินธบาตถือไม้เท้ามีกําลังน้อยมีตัวสั่นเทาล้มลงบนดินในที่นั้นเห็นโทษในกายแล้วจิตของเราก็หลุดพ้นแปดาษิทธ์ของพระนางสังคาเทรี เราละเรือนบวชแล้วละบุตรและสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักละราคะโทสะนายอาวิชชาแล้วถอนตันหาพร้อมทั้งรากเสียได้จึงเป็นผู้สงบระงับดับเย็น 9. ภาษสิทธิ์ของพระนางอภยามาตาเทรีเธอจงพิจารณาดูกายนี้อันไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็น เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่กระหม่อมผมลงไปเมื่อทำอยู่อย่างนี้ก็จะถอนความกำหนัดยินดีทั้งปวงถอนความเร่าร้อนได้ก็จะเป็นผู้ดับเย็น10ภาษิทธ์ของพระนางทันติกาเทรีเราออกจากที่พักกลางวันบนเขาคิจจกูด ได้เห็นช้างข้ามขึ้นจากน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำชายคนหนึ่งถือขอพูดว่าส่งเท้ามาช้างก็เหยียดเท้าให้เขาก็ขึ้นสู่ช้างครั้นเห็นสัตว์ที่ยังไม่ได้ฝึกถูกฝึกแล้วไปสู่อำนาจมนุษย์ได้จากที่นั้นเราจึงไปสู่ป่าทำจิตให้ตั้งมั่นข้อนี้หมายถึง ฝึกตนเองดูบ้างหมายเหตุ hate, ในเทรีคาถานี้ภาษิตบางตอนเป็นพระพุทธภาษิตตรัสสอนก็มีเช่นที่ตรัสสอนพระนางรูปนันธาจบความย่อพระไตรปิฎกเล่มที่26